แนะนำบทอัลยาเซียบทอัลยาเซียเป็นบทมักกียะมี ah. ah, 37 องค์ฆาดซึ่งประมวลไว้ด้วยเรื่องต่างๆเกี่ยวกับหลักการอิสลามในวงกว้างคือการศรัทธาต่ออัลเลาะห์และความเป็นเอกภาพของพระองค์การศรัทธาต่ออัลกุรอานและการเป็นนบีของมุฮัมมัดการศรัทธาต่อวันอาคิเราะห์ การฟื้นคืนชีพและการตอบแทนเกือบจะกล่าวได้ว่าจุดสําคัญของบทคือการแสดงออกซึ่งหลักฐานและข้อพิสูจน์ให้เป็นที่ประจักษ์ถึงความเป็นเอกภาพของพระเจ้าแห่งสากลโลกบทนี้ได้เริ่มด้วยการกล่าวถึงอัลกุรอานและแหล่งที่มาของอัลกุรอานคืออัลเลาะห์ผู้ทรงอํานาจในอาณาจักรของพระองค์ผู้ทรงปรีชาญาณในการสร้างของพระองค์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 ในการสร้างมนุษย์และปาสุสัตว์และสิ่งถูกสร้างทั้งหลายก็มีสัญญาณในการสลับเปลี่ยนเวลากลางคืนและกลางวันก็มีสัญญาณในการให้ลมพัดและมีฝนตกลงมาก็มีสัญญาณทั้งหมดนี้เป็นหลักฐานยืนยันถึงความยิ่งใหญ่ของอัลเลาะห์เดชานุภาพของพระองค์และความเป็นเอกภาพของพระองค์แล้วบทได้กล่าวถึงบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาต่ออัลกุรอาน ซึ่งพวกเขาได้ฟังองค์การต่างๆของพระองค์ก็ไม่ได้เพิ่มอันใดให้แก่พวกเขานอกจากการยิ่งยะโสและฟาฟูบทนี้ได้กล่าวถึงความโปรดปรานอันมหาศาลของอัลเลาะห์ต่อปวงบ่าวของพระองค์เพื่อที่จะให้พวกเขาขอบคุณต่อพระองค์และใคร่ครวญถึงบุญคุณของพระองค์ซึ่งพระองค์ทรงประทานให้แก่พวกเขาทั้งทางที่พวกเขารู้ดีว่า อัลเลาะห์องค์เดียวเท่านั้นคือที่มาแห่งความโปรดปานทั้งหลายนี้ทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็นทั้งในที่แจ้งและที่ลับและไม่มีผู้สร้างและผู้ประทานปัจจัยอย่างชีพอื่นใดนอกจากอัลเลาะห์บทนี้ได้กล่าวถึงการที่อัลเลาะห์ทรงยกย่องย่องให้เกียรติแก่วงวานอิสราเอลอย่างมากมายแต่พวกเขาได้ตอบรับความโปรดปานและความดีต่างๆของพระองค์ด้วยการดื้อรั้นและฝ่าฝืน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 คัมภีร์นี้ได้ถูกประทานลงมาจากอัลเลาะห์ผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงปรีชาญาณอินนาฟิสสะมาวาติวัลอัรฎิลายาติลิลมุอ์มินีนแท้จริงในบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินนั้นแน่นอนย่อมมีสัญญาณอันหลากหลายสำหรับบรรดาผู้ศรัทธาวะฟีคอลกิกุมวะมายับุษมินดับบะติอายาตุลิเกามียูกิน และในการบังเกิดพวกเจ้าและสิ่งที่พระองค์ทรงให้สัตว์ตาลักษณะแปรสรรพัดออกไปนั้นย่อมเป็นสัญญาณอันหลากหลายสําหรับกลุ่มชนผู้เชื่อมั่นวักติลาฟิลไลลวัลนฮาริวะมาอันซะลัลลอฮุมินัสสะมาอ์มิดริซก์มิดริซก์ฟะอฮยาบิฮิลอัฎดะบะอ์ดะเมาติฮา وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ آيَاتٌ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ لِكَانَ تَسَبُّبِ الْكَانِ كُرْ فِي الْكَانِ وَالْكَانِ وَالَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَأَخْرَجَ مِنْهَا حَبًّا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ آيَاتٌ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ نั่นคือสัญญาณต่างๆ ของอัลลอฮ์ซึ่งเราได้สาธยายมันแก่เจ้าด้วยความจริงดังนั้นด้วยคำบอกเล่าอันใดเล่าหลังจากอัลลอฮ์และสัญญาณต่างๆของพระองค์ที่พวกเขาจะศรัทธากัน ويل لكل افاكه اتيم แล้วเค้าก็ดื้อรัญญะโสโอหังเพราะหนึ่งว่าเค้าไม่เคยฟังบรรดาองค์การนี้มาก่อนเลยดังนั้นจงแจ้งข่าวแก่เค้าถึงการลงโทษอันเจ็บปวดวะอิซาอะลิมะมินอายาติลาชัยอันอิตตะฆะซะฮุซะอออูลาอิกะละฮุมอะดาบุมมุฮีนและเมื่อเค้าได้ทราบสิ่งใดจากบรรดาองค์การของเรา ਉਹ ਕੋ ਤਿਰ੍ਹ ਆਵ ਬੰਦਾ ਓਂ ਕਾਨ ਨੰਨ ਬੈਨ ਕਾਨ ਰੋ ਲੀਨ। ਛਨ ਲਾਉ ਨੀ ਸੰਬਰ ਫੋਕ ਕਾ ਜੈ ਰਾਬ ਕਾਨ ਲੋਂ ਤੋਦ ਅਨ ਅਪਪਯੋਦ। ਮਿਉਰਾਇਹਮ ਜਹਨਮ ਵਲਾ ਯੁਗਨੀ ਅਨਮ ਮਕਸਬੂ ਸ਼ਈਅਨ ਵਲਾ ਮਤਖਦੂ ਵਲਾ ਮਤਖਦੂ ਮਿੰ ਦੂਨ ਅਲ੍ਲਾਹ ਅਵਲੀਆ ਵਲਹੁਮ ਅਜ਼ਾਬੁਨ ਅਜ਼ੀਮ।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 আল্লাহু الَّذِي سَخَّرَ لَكُمْ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ আল্লাহគឺຜູ້ຊົງເຮັດໃຫ້ທະເລເປັນປະໂຫຍດສຳລັບພວກເຈົ້າ ເພື່ອໃຫ້ເຮືອເດີນສະໝຸດແລ່ນໄປຕາມໜ້າໜ້ານ້ຳໂດຍພະບັນຊາຂອງພຣະອົງແລະເພື່ອພວກເຈົ້າຈະໄດ້ສະແຫວງຫາຄວາມປອດປານຂອງພຣະອົງ ละเพื่อพวกเจ้าจะได้ขอบคุณว่าซักฮอระละกุมมาฟิสสะมาวาติวะมาฟิลอัฎดิญะมีอันมินฮุอินนะฟีดาลิกะลาอายาติลิเกามินยะฟักกิรุนละพรุงทรงทําให้สิ่งที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินเป็นประโยชน์แก่พวกเจ้าโดยทั้งหมดนี้มาจากพรุง แท้จริงในการนั้นย่อมเป็นสัญญาณสำหรับกลุ่มชนผู้ใกล้ชิดจงกล่าวเถิดแก่บรรดาผู้ศรัทธาให้พวกเขาอภัยแก่บรรดาผู้ที่ไม่หวังในวันทั้งหลายของอัลเลาะห์เพื่อพระองค์จะทรงตอบแทนแก่กลุ่มชน ตามที่พวกเขาได้ขวนขวายเอาไว้นั้นทําสิ่งดีสําหรับตัวเองและผู้ใดทําสิ่งชั่วก็จะตกหนักแก่ตัวของเขาเองและพวกเจ้าก็จะกลับไปยังพระผู้อภิบาลของพวกเจ้า وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ لَدَيْنَا نَأْنَنَ رَاو ได้ประทานคําพีและข้อชี้ขาดและการเป็นนบีแก่วงวานอิสราเอลและเราได้ให้ปัจจัยอย่างชีพที่ดีๆแก่พวกเขา لراو ده ยกย่องพวกเขาเหนือประชาชาติทั้งหลายในยุคนั้น وا جاءنا بينات من الامر فمختلفوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ان ربك يقضي بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون เราได้ประธานหลักฐานอันชัดแจ้งแก่พวกเขาเกี่ยวกับเรื่องนี้พวกเขาไม่ได้ขัดแย้งกันเว้นแต่หลังจากได้มีความรู้มายังพวกเขาแล้วอันเนื่องจากความอิจฉาริษยาระหว่างพวกเขากันเองแท้จริงพระผู้อภิบาลของเจ้าจะทรงตัดสินระหว่างพวกเขาในวันกิยามะห์ในสิ่งที่พวกเขาได้ขัดแย้งกัน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 من الله شيئا وان الظالمين بعضهم اولياء بعض والله ولي المتقين ถ้าจริงพวกเค้าไม่อาจจะช่วยให้พวกเจ้าพ้นจากอัลเลาะห์ได้ยังไงและถ้าจริงพวกอะธรรมนั้นต่างก็เป็นมิตรซึ่งกันและกันแต่อัลเลาะห์นั้นทรงเป็นผู้คุ้มครองบรรดาผู้ยำเกรง وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ الْقُرْآنُ بِنْ سَاءَ سَوَارَ هَنْ مَوْنُس وَلَ بِتَارَ نَامُ ثِي تُوُقِنُونَ الْقُرْآنُ بِنْ سَاءَ سَوَارَ هَنْ مَوْنُس وَلَ بِتَارَ نَامُ ثِي تُوُقِنُونَ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 และอัลเลาะห์จะทรงให้เขาหลงทางด้วยความครอบรู้และทรงผนึกการฟังของเขาและหัวใจของเขาและทรงทําให้มีสิ่งบดบังดวงตาของเขาดังนั้นผู้ใดเล่าจะชี้แนะแก่พวกเขาหลังจากอัลเลาะห์พวกเจ้ามิได้ใคร่ครวนกันดอกหรือวะกาลูมาฮิยะอิลลาฮายาตุนดุนยานามูตวะนะฮยาวะมายุห์ลิกุนาอิลลัลดะฮบ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّون لَبُكَاوَกล่าวว่า ไม่มีชีวิตอื่นใดนอกจากการมีชีวิตของเราในโลกนี้เราจะตายและเราจะมีชีวิตอยู่และไม่มีสิ่งใดจะมาทำลายเราได้นอกจากการกาลเวลาเท่านั้นสำหรับพวกเขาไม่มีความรู้ในเรื่องนั้นหรอกนอกจากการคาดการณ์เอาเท่านั้น وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا ما كان حجتهم إلا أن قالوا أتوا بأبائنا إن كنتم صادقين นอกจากพวกเขาจะกล่าวว่าจงนําบรรพบุรุษของเราให้คืนชีพกลับมาหากพวกเจ้าเป็นผู้พูดจริงกุลลอฮุยุฮีฟุมซุมมายูมิตุกุมซุมมายัจมะอุกุมอิลายอมิลกิยามะติลาไรบะฟีฮิวะลากินอักษะรอนนาซลายะอ์ลามูนจงกล่าวเถิดมุฮัมมัด ว่าอัลเลาะห์ทรงให้พวกเจ้ามีชีวิตและทรงให้พวกเจ้าตายและพระองค์จะทรงรวบรวมพวกเจ้าในวันกิยามะห์อย่างไม่มีข้อสงสัยใดๆเลยแต่มนุษย์ส่วนมากไม่รู้วะลิลลาฮิมุลกุสสะมาวาติวัลอัรฎและโยมาตะกูมุสซาอะตุโยมาอิดินยัคซัรุลมุบฏิลูนและอำนาจแห่งบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินนั้นเป็นของอัลเลาะห์ วันอวสานจะเกิดขึ้นในวันนั้นบรรดาผู้กล่าวเท็จจะขาดทุนอย่างย่อยยับวะตาระกุลลุมมะตินจาเตยะกุลลุมมะตินตุดาอออิลากิตาบิฮาอัลโยมะตุจซอูนมาฮุมตุมตะอามะลูนและเจ้าจะเห็นกลุ่มชนทุกชาติอยู่ในสภาพคุกคาม ทุกชนชาติจะถูกเรียกมาตามบันทึกของตนวันนี้พวกเจ้าจะได้รับการตอบแทนตามที่พวกเจ้าได้เคยกระทําไว้แท้จริงกิตากล่าย์ติกอะลัยกุมบิลฮักอินนะกุมนะสันซิกมากุมตุมตัมมะลูนนี่คือบันทึกของเราจะพูดถึงเรื่องของพวกเจ้าด้วยความจริง แห่งเราได้ให้บันทึกตามที่เจ้าได้กระทําไว้อัลลอฮฺผู้ทรงตรัสว่าบรรดาผู้ที่ศรัทธาและทําความดีแล้วพระองค์จะทรงนําพวกเขาเข้าสู่ความเมตตาของพระองค์นั่นคือความสําเร็จอันชัดแจ้งดังนั้นบรรดาผู้ศรัทธาและกระทําความดีพระผู้อภิบาลของพวกเขาจะทรงให้พวกเขาเข้าอยู่ในความเมตตาของพระองค์นั่นคือความสําเร็จอันชัดแจ้ง واما الذين كفروا افلن تكن اياتي تتلى عليكم فاستكبرتم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين لاสวนบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธา องค์การต่างๆของข้ามิได้ถูกอ่านแก่พวกเจ้าดอกแต่พวกเจ้ายะโสโอหัง لأพวกเจ้าเป็นกลุ่มชนผู้กระทำผิด وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة قلتم ما ندري ما الساعة إن ظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين لماได้มีการกล่าวว่าแท้จริง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 จะเตะเสือนและความชั่วที่พวกเขาได้กระทําเอาไว้จะเป็นที่ประจักษ์แก่พวกเขาและสิ่งที่พวกเขาเคยเย้ยหยันไว้นั้นก็ห้อมล้อมพวกเขาเอาไว้ وقيل اليوم نساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين และจะมีเสียงกล่าวขึ้นว่า وَاليَوْمَ نُخْرِجُ مِنْهُمْ أَصْلَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ เช่นนั้นแหละเพราะพวกเจ้าได้ยึดเอาองค์การต่างๆของอัลเลาะห์เป็นที่ล้อเล่นและชีวิตในโลกนี้ได้หลอกลวงพวกเจ้าดังนั้นวันนี้พวกเขาจะไม่ถูกนําออกจากนรกและพวกเขาจะไม่ถูกขอร้องให้กลับไปแก้ตัวใหม่อีกลิลลาฮิลฮัมดูร็อบบิสสมาวาติวะร็อบบิลอัฎดิร็อบบิลอาลามีนฉะนั้น การสรรเสริญเป็นสิทธิของอัลเลาะห์พระผู้อภิบาลแห่งบรรดาชั้นฟ้าและพระผู้อภิบาลแห่งแผ่นดินพระผู้อภิบาลแห่งสากลโลกวะละฮุลกิบเรียอูฟิสสะมาวาติวัลอัรฎิวะฮวัลอะซีซุลฮะกีมและความยิ่งใหญ่ในบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินเป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์เท่านั้นและพระองค์เป็นผู้ทรงอำนาจ ਉਹ ਸੰਗ